อตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจเราทุกคนได้ชื่อว่าได้เข้าสู่ทางแห่งความสุขแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำใจให้สบายสบายอย่าให้คิดใจเศ้ามองคุณมัว ถ้าเราจะไปปล่อยจิตให้วิ่งไปตามกระแสของโลกนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยอย่าวิ่งมันเลยทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วก็มีสติประคองจิตนิ่งอยู่ภายในถ้ามันเผลอคิดไป รู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดความรู้อันเดียวของเขา น, นเนะ่ยอย่าไปคว้าก่ายเอาสัญญาอารมณ์ภายนอกนะมันไม่มีตัวตนอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอันความรู้เนี่ยมันไม่หายมันอยู่ในท่ามกลางอกเนี่ย หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นี่ไม่หายไปไหนจนก ว, ว่าร่างกายนี้มันจะแตกทำลายลงความรู้คือดวงจิตรวงนี้จะอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไปพากัพี่นาให้มันเห็น ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะโทษว่าภาวนาไม่เป็นจิตไม่อยู่พุ่งสั่นเอื่นลอยไปทั่วความจริงมันก็พุ่งไปแต่ความคิดเท่านั้นแหละแต่ดวงจิตจะไม่ไปมันอยู่นี่นะมันอยู่ในท่ามกลางอกนี่อยู่ในขั้หัวใจนั่นนะพูดง่าย โค้หัวใจเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตฉะนั้นเราก็เพ่งเข้าไปหานั้นเพ่งเข้าไปหาโค้หัวใจนั่นนะมันมีจิตตวงเดียวเท่านี้เองเป็นแก่นแห่งชีวิตนะเราจะไปเอาอะไรนะหานี่คิดดูให้ดีปัจจัยทางซี ผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยยุกยาทั้งหลายล้วนแต่บำรุงรักษาร่างกายอันนี้ให้เป็นอยู่ไปวันๆเท่านั้นเองก็รร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันมีความแปรปวนไปอยู่ยงนั้นตลอด ต้องได้บำรุงไว้ด้วยปัจจัยสี่นี่มันจึงพอประทังพออยู่ได้ส่วนจิตนี่นะมันอยู่ได้มันสงบอยู่ได้เพราะคุณธรรมราอบุญกุศลคนใดมีบุญกุศลมีคุณธรรมอยู่ในใจจิตใจของผู้นั้นก็ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยถ้าไม่มีบุญมีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วแน่นอนนะจิตนี้มันต้องถูกกิเลสตัณหาปั่นเอาให้เครียดอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสดุดคิดมากเท่าไรก็ยิงเป็นทุกข์มากเท่านั้น นั่นแหละเราจะได้รู้ว่าความทุกข์นั่นมันอยู่ที่จิตถ้าจิตไม่เป็นทุกข์เสียแล้วทุกอย่างทุกสี่งทุกอย่างมันก็ไม่มีไม่ปรากฏปรากฏมันก็เหมือนไม่ปรากฏเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของคือร่างกายอันนี้เองเนี่ย ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยดังนั้นจึงถือว่ามีเหมือนไม่มีนั่นแหละมันอาศัยอยู่แต่เพียงเหตุปัจจัยบำรุงอยู่เท่านั้นเองอาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนบำรุงรักษาไว้แล้วกับอาหารการบ ร, ริโภคในปัจจุบันนี้แหละช่วยบำรุงไว้ ก็จึงเป็นอยู่มาไปได้ร่างกายอันนี้นะแต่ข้อสําคัญก็คือบุญเก่านั่นแหละเมื่อบุญเก่ามันหมดลงแม้จะมีอาหารบริโภคอยู่เพียงพอเท่าไหร่มันก็ไม่ไหวมันรับอาหารไม่ได้ซ้ําเลยเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วอนันนียก็ต้องแตกดับไปรูปร่างอันนี้นะแต่ส่วนจิตตรงนี้สิ เมื่อมันยึดถือร่างกายอันนี้อยู่ถือว่าของเราอยู่นี่มันก็เป็นกรรมภพถอนออกจากร่างนี้กรรมมันก็นำไปเกิดในภพใหม่ต่อไปเกิดมาแล้วก็ผู้ใดทำบาปไว้บาปก็นำไปเกิดททุกข์ยากลำบาก ได้สวยทุกทนทรมานอยู่นานกูได้ทำบุญกุศลไว้มากน้อยเท่าใดบุญกุศลก็ น, นำจิตตรงนี้ไปเกิดในที่สุขสบายต่อไปไม่ใช่จะไปหาเกิดเอาได้ตามประสงค์เมื่อตนอยากก็เกิดดีก็ต้องทำความดีเข้าไปอย่างนี้แหละ ถ้าไม่หวังจะให้เกิดตีมีความสุขก็เอาสิทำความชั่วเข้าไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่ามุสาวาท ด, ดื่มชุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอินก็เป็นครือหัาผู้คลองเรือนเนี่ยเป็นนักปวดก็ล่วงทาล่วงวินยัย ขิขาบทน้อยใหญ่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั่นก็คือบัญญัติถ้าไม่ทำบาปนั่นเองนะถ้าผู้ใดล่วงเกินก็ไปก็ชื่อว่าทำบาปนี่นนะผู้ใดไม่กลัวทุกในนรกอบายภูมิก็แล้วแต่ถ้าผู้ใดเชื่อว่านรกมีจริง พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเดีพันธนาะความทุกข์ของผู้ไปตกนรกไว้มากมายถ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จริงๆแนละ้วก็อย่าไปทําบาปถ้าไ ม, ไม่ปรารถนาความทุกข์ดังกล่าวนั้นอืมถ้าไปทําบาปอยู่แล้วไม่พ้นนะไม่พ้นจากนารกดังกล่าวมานี่ แต่ก็อย่างที่พูดมาบ่อยๆอยู่การทําบาปเข้าไปแล้วไม่ใช่บาปมันจะให้ผลดยไวๆเข้าไปได้รับทุกข์ทนรมานทันทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อบุญเก่ายังรักษาอยู่ร่างกายอันนี้นะบาปที่บุคคลทําก็ยังให้ผลไม่ได้อืมก็ต้องขอให้เข้าใจอย่างนี้ มันก็ชะลออยู่นั่นแหละมันก็คอยท่าทีอยู่นั่นเองนะคันพอบุญเก่านี่หมดลงบาปมันก็มีโอกาสให้ผลสืบต่ออันนี้อยากจะพูดย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจความจริงของชีวิตนี้ตามเป็นจริงคนส่วนมากมันก็มาหลง อยู่เข้าใจผิดบางคนนะคิดว่าทำบุญกุศลแล้วตนจะมีความสุขสบายสบายกายสบายใจเรื่อยไปไม่ได้รับทุกข์เดือดร้อนอะไรพอบุญตามรักษาทีนี้เมื่อเวลาไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วทำบุญกุศลไปก็ยังเจ็บยังป่วย ยังไม่ร่ำไม่รวยอะไรเลยอย่างนี้ก็เลยเข้าใจว่าการทำบุญไม่มีประโยชน์อะไรกงวททำบุญกันนี่เรียกว่าเข้าใจผิดจากความเป็นจริงดังนั้นคนเรามักจะเข้าใจปอย่างนี้มากมายเหตุดนั้นจึงได้พยายามพูดเรื่องนี้บ่อย เพื่อให้ผู้ฟังหลายได้เอาไปคิดไปกลองให้รู้ให้เข้าใจวิถีชีวิตของตนรวมความแล้วว่าเมื่อตนไม่ปรารถนาความทุกข์ให้แก่ตัวเองแล้วก็หาทางเว้นจากบาปโทษทั้งหลายเป็นพิสุสัมาเนนก็ต้องเว้นจากพุทธบัญญัติที่พระองค์บัญญัติธรามไว้ ก็เว้นตามที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติธรามไว้นั้นอย่าล่วงเกินอนี้แหละเป็นครือขัสก็ต้องเว้นพุทธบัญญัติของครือขัสที่ได้สมทานมาแล้วนับขักไม่ท้วนแต่ละคนแล้วก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์หมดจดอย่าให้มันขาดอย่าให้ด่างพร้อย อันนี้มันก็เป็นเรื่องภาวนาเหมือนกันนะถ้าหากว่าพิจารณาภาวนาไม่เห็นในใจจริงๆแล้วมันก็ละไม่ได้บาปเหล่านี้นะมันเปอย่างนั้นเดิมมา น, นะดังนั้นจึงว่าทานศินภาวนานี่ย่อมเหมือนกับเชือกสามเกลียวเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อฟันเชือกเขาจะฟันสามเกลียวมันทนทานดีดังนั้น อันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันในการปฏิบัติทำในพุทธศาสนาการเพียรละปาปบำเพ็ญบุญต้องบำเพ็ญให้ไปพร้อมๆกันเลยมเมื่อทานมีแล้วศีลก็ให้มีเมื่อศีลมีแล้วภาวนาก็มีอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัด เหตุแทงทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจเพราะทุกคนนั้นพูดถึงความทุกข์แล้วไม่ต้องการเลยใครๆครก็ไม่ต้องการนะ่ะคิดดูแต่ไม่ต้องพูดถึง น, นรกเมืองผีแม่นรกเมืองคนนี่ก็ลองดูพกุกคาตาลางมู่นั้น ปัญญาชนทั้งหลายเขาก็ไม่ขอถนาจะเข้าไปอยู่ในคุกเลยก็รักษาศีลรักษากฎหมายบ้านเมืองไม่ล่วงเกินนะแล้วมันก็ไม่ได้เข้าไปนอนอยู่ในคุกอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะเมื่อไม่ทำบาปแล้วละบาปเสียให้หมดไปจากกายวาจาใจเช่นนี้เมื่อ ละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็ไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิอืขอให้คิดพากันคิดถึงอนาคตแห่งชีวิตให้มากเพราะว่าชีวิตปัจจุบันนี่มันน้อยเดียวหนึ่งเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยแต่ยังละ ก, กิเลสไม่หมดตราบใดแล้วมันต้องเกิดอีกอยู่อย่างนั้ น, นจิตดวงนี้นะ มันต้องแกหาบุญบาปนำไปเกิดอยู่นั่นแหละขอให้เข้าใจบันนี้เราพยายามกำจัดบาปออกไปให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี่แล้วมันก็ยังชั่วหน่อยนะถึงแม้จะไปเกิดอีกมันก็เกิดดีอม เมื่อบุญบา ร, รมียังไม่เต็มมันก็จำเป็นนะต้องเกิดอีกอยู่แต่ว่าเกิดมาเพื่อสร้างบา ร, รมีสําหรับผู้ชอบใจในบุญกุศลมันก็ไม่ลืมเลือนเมื่อตายจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าโลกหน้ามันก็ไม่ลืมอันนมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปกระตุ้นเตือนจิตตรงนี้ให้ชอบ บำเพ็ญบุญกุศลเบืบ่อนายต่อบาปไม่ทําบาปถ้าผูใ้ใดปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วก็มันก็ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆอยือาันที่มันนานถึงพระนิพพานก็เพราะบาปนี้เองนะเพราะคนเราบาปก็ทําบุญก็ทําอย่างนี้นะ บาปมันกะหน่วงชีวิตไว้ในโลกอันนี้ไม่ให้ไปไม่ให้ไม่ให้นำชีวิตใกล้ต่อพันิพานไปเลยให้อยู่ห่างไกลพันิพาอมันเป็นอย่างนั้นเดองมานะเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยลังเลในคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราชาพุทธพิจารณาให้มันหายสงสัย เมื่อหายสงสัยแล้วก็ก้มหน้าปฏิบัติตามไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันกิเลสมันก็เบาบางไปนั่นแหละเพราะว่ากิเลสก็จิตเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาถ้าจิตไม่สร้างอันใดขึ้นมาแล้วอันนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเลยลองคิดดูให้ดี ทุกอย่างมันก็เกิดจากจิตนี่หมดเลยดีก็ดีชั่วกวด็ดีเรื่องนั้นเรามาฝึกจิตนี้ให้รวบรวมเอาแต่ความดีนี่นะมาไว้ในจิตนี้ความชั่วคัดมันออกไปอย่าไปใช้กายทาอย่าไปใช้วาจาพูดอย่างนี้แล้วมันก็มีแต่ความดีคือบุญคุณ เท่านั้นเองตั้งอยู่ในจิตใจนี้คุณธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็มีหลายอย่างถ้าหากว่ามีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วคุณธรรมต่งตางๆมันก็มีอยู่ในนี้เลยเช่นขันติความโอทอนก็มีเนี่ย ถ้าไม่อดไปทนจิตใจสงบไม่ได้วิรยิยะเร่นความเพียรมันก็มีสติเช่นี้ความระลึกได้มันก็มีประจำอยู่กับจิตนี้เลยสมบัติช่ญยะความรู้ตัวมันก็รู้ว่าจิตใจตนสงบอยู่เวลานี้นะ่ะมอย่างนี้แหละหีดีโอดตบปาความละอายต่อบาปความกลัว บาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มันก็เกิดขึ้นในจิตนี้เองมันก็กลัวบาปกรรมตามสนองให้เป็นทุกข์จริงๆเลยเมื่อจิตใจมันสงบลงแล้วเหตุต่างนั้นมันจึงละบาปได้คนเรานะถ้าไม่ทําจิตให้สงบแล้วการละบาปมันก็ละไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง เดียวเดียวมันก็กลับมาทำบาปอีกเพราะจิตนั่นแหละมันไม่ตั้งมัน่นมันวอกแวกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั่นทำสมาธิภาวนาให้มีสติสมัจญญาควบคุมจิตนี่อยู่เสมอ ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนทําการงานอะไรต่ออะไรก็มีสติรักษาจิตตรงนี้ไปเรื่อยๆไปอย่าให้จิตตรงนี้มันเผลอไปในทางบาปอากุศลอืมเมื่อมันเผลอไปแล้วมันก็ใช้กายทําใช้วาจาพูดไปในทางบาปอย่างนี้เนะี่ยมันบาปมันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเราต้องคิดว่าในชีวิตนี้ก็มีจิตตรงเดียวเท่านี้ที่ต้องการอยากจะพ้นทุกข์ต้องการความสุขร่างกายนี้มันไม่ว่าอะไรเลยเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เป็นที่อาศัยของจิตนี้เท่านั้นเอง เมื่อหมดบุญหมดกรรมที่บำรุงรักษาร่างกายนี้ไว้แล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตนี้ก็ต้องถอนออกจากร่างอันนี้ไปคนอาทิตย์าทางกันเลยร่างกายนี้เขาก็เผาเหลือแต่เท่ากับกำดุกอยู่กับพื้นดินนี้ส่วนจิตนี้ก็ไปทำกรรมอย่างที่ว่านันนะ ทรงภาวนาพิรณาให้มันเห็นอย่างนี้แล้วมันจะได้สำคัญเรื่องจิตแบบนี้นะโอ้คนต่างคนนี่มีจิตเป็นสำคัญทีเดียวอย่างนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็จะตามรักษาจิตตัวเองก็ตัวเองนะั่นแหละรักษาตัวเองนะมันจิตไม่มีสองอนะ่ะมันเป็นหนึ่งเท่านั้นเองนะตนเองรักษาตนตนเองรู้ ตนเองหมายความว่าจิตรู้จิตนั่นแหละเมื่อจิตรู้จิตแล้วจิตก็บังคับจิตได้บังคับให้มันยึดถืออันนั้นอันนี้บังคับให้มันโกรธโมโหโธโโฉกับใครต่อใครนี่ก็บังคับได้ตัวตัวเองนะบังคับตัวเองแต่คนไม่ได้ภาวนา สติไม่เท่าถึงจิตจิตไม่ตั้งมั่นแล้วห้ามตัวเองไม่ได้เลยยอมรู้อำนาจแก่ความแกแกกิเลสอย่างใดอย่างหนึง่งเห็นความโกรธอย่างว่านี่นะมมีผู้ตักเตือนอุยมันห้ามไม่อยู่นะมันลังไม่ไหวมันขึ้นแรงมากเนี่ย แท่จริงเนะี่ตนเองไม่ได้ห้ามตัวเองจ่ก่อนมาเ ร, เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยให้ใหจิตมันยึดมันเถือไปอยึดเถือเอาความไม่พอใจไว้มากเข้ามาเข้ามันก็เลยกลายเป็นความโกรธไปเป็นเั้นเมื่อมันสะสมมากๆเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นความโกรธเข้าไปดังนั้นอะ่ะ ให้พากันพิสูจน์ดูให้ดีเหมือนอย่างไฟลูกไฟน้อยๆเท่านั้นแหละหากว่าบุคคลไม่ดับนะหากมันมันมีเชื้อมาถูกเข้าไปมันก็มีกำลังขึ้นลุกโพรงเป็นเปลวขึ้นมา ทำไมไม่บานไม่เสือนไดน้ฉันได้กิเลสนี่ก็เหมือนกันเนี่ยให้เกิดความยิน ด, ดียินร้ายนิดหน่อยหน่อยไม่สนไม่เตือนตนให้ละสะสมมันไรหลายครั้งหลายหนเข้ามันก็มีกำลังมากขึ้นเนี่ยมันก็บังคับจิตใจให้ไปทำสิ่งที่มีโทษไม่มีประโยชน์อะไรต่ออะไรไปแล้วอันนี้นะ มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงว่าการละ บ, บาปบำเพ็ญบุญก็อยู่ที่ภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยออกจริงๆก็แปลว่ามีความภาคเพียรพยายามทำคุณงามความดีให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปพยายามละความชั่วออกจากกิตใจให้ได้ ยี่เรียกว่าภาวนาว่าโดยรวมๆอ่ะเป็นงนั้นดังนั้นให้รู้จักภาพรวมของการภาวนาอย่างนี้แล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยอาศัยความเพียร น, นี่แหละ กิเลสมันจะเหือดแห้งเบาบางออกไปจากจิตใจถ้าหากว่าไม่มีความเพียรแล้วกิเลสมันก็ไม่แห้งมันยังเหลืออยู่ในจิตใจเท่าไรมันก็เหลืออยู่เท่านั้นบางทีมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกซ้ำเพราะว่าประมาทไม่สำรวมจิต ปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ได้ชื่อว่าเดินทางไปในทางที่ถูกต้องแล้วจับต้นทางได้แล้วจึงต้องพยายามเดินไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆแหละ เพราะว่าทางที่มันไม่ถูกต้องนั่นเราละมันแล้วศึกษารู้แล้วว่าทางนี้ทางผิดถ้าเดินทางนี้แล้วก็จะไม่ถึงจุดหมายได้เลยอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดมาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะไหนพยายาม ทำความเพียนเข้าไปแต่เพียนทำอย่างอื่นเรายังเพียนให้คิดดูเพียนทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก่าเพียนหลายเด็ดเวลามาเพียนละกิเลสตัณหาออกจา ก, กจิตใจนี่ ซึ่งมันเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้ไม่อยากเอาไม่อยากเพียนนี่มันคนเรามันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ง่ายๆนั่นแหละเออนั้นขอให้เข้าใจว่าขี้เลสดมันจะเหือดแห้งไปได้ก็เพราะอาศัยความเพียนอุปมาเหมือนอย่างบุคคลดายญ้าออกจากต้นไม้ที่มีผล แล้วเนี่ยอาได้ยากงวดนี้แล้วเอาหน่อยหนึ่งมันพังงอกขึ้นมาอีกก็ได้อีกอมเมื่อทำไม่ถอยหญ้ามันก็ขึ้นไม่ทันบ้นีม้มันก็หมดไปหมดไปนะมันไม่มีโอกาสจะขึ้นได้แล้ว พอมันงอกขึ้นมาเอาเอามันออกไปพอมันงอกขึ้นมาพอมันออกไปในที่สุดมันก็หมดเชื้อลองอกิเลสในใจคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยมเมื่อเราเพียรละมันอยู่ไม่ถอยอย่างเนี้ยมันก็ค่อยหมดไปหมดไปขอแต่จิตใจอย่าไปชอบกับกิเลสก็แล้วกัน ถ้าจะจิตนี้ไปชอบกับกิเลสอยู่แล้วมันก็ไม่ไม่หมดอ่ะมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆอยงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างมันขึ้นมาอย่าไปสร้างความรักขึ้นมาในใจละมันไปแล้วแล้วไปอันนี้แหละมันพาให้ ท่องเที่ยวเคยแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ท่องให้รู้อย่างนี้นะอย่าไปสร้างความชังความโกรธขึ้นในใจเพราะว่าความโกรธนี่มันเป็นของร้อนเผาจิตให้เราร้อนอยู่ความโกรธนี่มันก็เหมือนกันกับความโลภนั่นแนหะ มันก็พาไปนรกอบัยภูมได้ดังนั้นเราต้องภาวนาให้มันเห็นเมื่อภาวนาเห็นแล้วมันก็ไม่โกรธคนเรานะมันไม่ต้องการไปนรกจริงนะโกรธเช่นอย่างว่าไปโกรธใครแก่คนผู้มีศีลมีคุณธรรมอันสูงอย่างนี้นะไปด่าว่าเนี่ย บาปหนักเลยนะพาไปสุรร่รกได้เลยอย่างนี้เนยะถ้าโกรธคนเหมือนเหมือนกันคนรักษาศิลเหมือนกันอย่างนี้แต่คุณธรรมก็ไม่ยิ่งย้อนกลัวกันอย่างนี้มันก็มีโทษเหมือนกันเนะนี่มเบ่งั้น มีโทษเพราะอะไรมีโทษเพราะ ก, กิเลสมันไม่เหือดแห้งถึงโกรธแล้วไม่ฆ่าไม่ตีกันก็ตามแต่กิเลสมันไม่เหือดแห้งจา ก, ก จ, จิตใจมันติดตามจิตนี้ไปเกิดไปชาติหน้ า, า ก, ก็ไปโกรธเย็ดไปโกรธบุคคลที่ไม่ชอบใจโกรธสัตว์ ติดต้นเกลียดชังอย่างนี้แหล ะ, ะขึ้นชื่อว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วแต่สิ่งไม่มีวิญญาณมันก็โกรธสิ่งของอันไดที่ไม่พอพอใจมันก็โยนทิ้งทุบทิ้งไอ้คนที่โกรธเป็นอย่างนั้นนี่คนไม่โกรธแล้วไม่ไม่แสดงอากา ร, รอย่างนั้นนี้ อันใดของอันใดที่มันชำลุดทุดทมมันควรจะซ่อมใช้ได้ก็ซ่อมไปถ้าซ่อมไม่ได้แล้วก็ทิ้งมันก็เท่านั้นเองไม่แสดงอาการเกลียดชังโกรธขึ้นแ้ะจับโยนทิ้งบอกไปอย่างนี้นะมันมีบางคนเนะอ อ, อหรือสารตะกร้าอะไรต่ออะไรหมดนี่ เมื่อไปไปไม่พอใจคว้นทิ้งอันนี้แสดงว่าในใจมันมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วดังนั้นเราต้องพิสูจน์จิตใจตัวเองให้มันเห็นโทษแห่งความจะให้มันกำเริบขึ้นในใจต่อไปให้มันตัดทอนให้มันน้อยลงน้อยลง ต้องพยายามในใจอย่างนั้นความหลงก็เหมือนกันความหลงความสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาไงมันหลงจริงๆนคนเรานะแต่ตนเองไม่รู้ว่าตนหลงนอกเรื่องมันคนะันเมื่อมันแสดงออกคือมันจะคคอยปากฏอย่างการทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้นะ โกรธกันเกลียดกันอะไรต่างๆวันี้นะมันก็นล้วนตั้งแต่มันถือเขาถือเราทั้งนั้นแหละมันจึงได้โกรธกันถ้าก่อภาวนาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมีจิตใจมาอาศัยอยู่ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลได้ทำมาตะกรันมานำมาเกิดนำมาเกิดอาศัยในธาตุทั้งสี่อันนี้เมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วธาตุทั้งสีนี้มันก็แตกดับสลายลงมันจะมีตัวตนเราเขาที่ไหนอยู่นั่นภาวนาพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้ออกให้มันเห็นทุก ชิ้นทุกอันไปเลยบางคนเภาวนาจนเฒ่าจนแก่ยังไม่เห็นร่างกายอันนี้ยังไปหลงถือว่าเราว่าเขาใครยกโทษตีเตียนหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้เลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่น่าทุเลต จ, จริงๆนะ มาอยู่วัดจุว่าแท้ๆก็แทนที่จะทำกิเลสให้มันเบาบางลงไปทาไม่ได้เปรตสะสมกิเลสไว้ในใจเมื่อผู้ใดมีอะไรอยู่ในใจแล้วไม่ฝังมันย่อมแสดงออกทางกายทางวาจาวันหนึ่งให้ได้เลยเองนั้นถ้าผู้ใดไม่มีอะไรอยู่ในใจแล้ว มันก็ไม่แสดงออกมาเลยเป็นย่ยงนั้นดนั้นนอกกับในนะมันเนื่องกันพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสว่าที่ลับไม่ได้มีในโลกนั่นแนะอือเป็นความจริงไงมันจะมีที่ลับที่ไหนในโลกอันนี้ ผู้ใดทำอนไดผู้ใดมีกิเลสอะไรอยู่ในหัวใจมันสแสดงออกมาให้โลกรู้กันทั้งนั้นเลยเหตุตัางนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายก็ต้องมุ่งทำลายกิเลสให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจมันจึงถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วก็ชื่อว่า ไม่เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่เชื่อว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเพื่ที่มาปฏิญาณตนเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเห็นโทษของกิเลสเพียพยายามลากกิเลสให้เบาบางออกไปจิตใจจะออกไปจากกิจใจนี้จนกลัวมันจะหมดสิ้นลงจึงจะยุติความเพียรได้ ภากิเลสยังไม่หมดสิ้นแล้วเราต้องภากเปียนอย่างนี้แหละเอาชาตินี้ละไปได้เพียงเท่านี้ต่อไปชาติหน้าก็ไปละมันอีกอ ม, มันเป็นอย่างนั้นไม่ถอยสร้างบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วก็ละกิเลสไปเช่นนี้เมื่อบุญบา ร, รมีเต็มเมื่อใดแล้ว บุญบารมีนี่มันก็จะไม่กำจัดอาวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้เมื่อนั้นถึงได้หยุดความเพียรดิมเนี่อถ้าหากว่ายังลา ก, กิเลสไม่หมดแล้วแน่นอนทุกคนต้องได้ภาคเพียร พ, พ, พ, พยายามถ้าผู้ใดไม่ภาคเพียรพยายาม ผู้นั้นก็พ้นทุกไปไม่ได้เลยก็ยอมเสวยทุกขทนทรมานอยู่ในโลกสันิวาตอันนี้โลกนี้โลกหน้าโลกแห่งยมโลกมยมโลกแปลว่าโลกแห่งพยายม พยโยมนี่แย่เลยนะสมัยทุกวันนี้เจบวันทีสัตว์นรกสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็ไปสู่สำนักพยโยมพยโยมไต่สวนเห็นว่ามีความชั่วอยู่ในตัวจริงธรรมว า, บาบจริงลูกน้องของพยโยมพยายมก็จับสัต์ลงในนรก ได้สเสบยทุกทนทรมานอยู่ในนรกนั้นพยายมในทำงานไม่หยุดไม่ยั้ยง้วมันคนทำชั่วหลายเหลือเกินโลกสนันิวะอันนี้ตายแล้วก็ต้องไปสู่สำนักพญายมผู้ใดบาปกรรมยังไม่ไม่หนักเท่าไรถ้าผู้ที่ทำบาปกรรมมันหนัก เช่นอย่างอนันตริยกรรมอย่างนี้ไม่ต้องไปไต่สวนยากอันเนี้ตายแล้วต้องลงเอา เ, อเวจีเลยเป็นอย่างนั้นผู้ใดทำบุญบ้างทำบาปบ้างเช่นนี้นี่แหละที่ไปสู่สมณจยมภบาลยุมาบาลไต่ถามเมื่อ เมื่อตอบโยมบาลได้ว่าโยมบาลเห็นว่าไอ้เจ้านี่มันทำบุญมากมม้กลัวบาปโยมบาลก็ปล่อยให้ไปเสวยผลบุญเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาใหม่มาเสวยผลของบาปที่ทำนั้นเช่นนี้แหละอันที่ว่ามัน เกิดมีสำนักยมบาลขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าคนทำบุญก็ทำบาปก็ทำเช่นนี้มันจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ ส, สอบสวนสืบสวนซะก่อนอืมเมื่อมีมูลความจริงว่าผู้นี้ทำบาปมากกว่าบุญอย่างนี้อนายนิยบาลก็จับซัดลงนรกเลยมันเป็นงั้นแต่บุญนั้นก็ยังไม่หายนะ มันแต่มันไม่มีโอกาสจะให้ผลเท่านั้นเองเมื่อพ้นจากบาปกรรมนั้นเมื่อไรบุญที่ทำนั้นก็จึงนำมาเกิดเป็นคนอีกเช่านั้นแหละเมื่อเกิดเป็นคนมาแล้วเขาไปคบคนชั่วเข้าไปอีกคนชั่วไปชัก ช, ว, ชกวนไปทาบาปชักชวนไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม กล่าวมุ่อสามาร ด, ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเขาชักชวนไปทำชั่วเหล่านี้ก็ไปตามเขาเอาตายแล้วผลกลับไปสู่นรกนั่นไม่อีกอยู่อย่างนี้แล้วสัตว์โลกทั้งหลายมเมื่อมันยังไม่เห็นโทษของบาปยังไม่ละบาปตราบใดแล้วมันก็มีนรกเป็นเรือนนอนอยู่นั่นเนี่ย อย่าไปเข้าใจว่าบาปกรรมที่ทำนั้นมันจะไม่ไม่ให้ผลอย่าเข้าใจอย่างนั้นถ้าบาปที่ทำไม่ให้ผลการทำบุญมันก็ไม่มีผลเหมือนกันก็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องทำบุญไม่ต้องลา บ, บาปอันไนแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่มีเลยผู้สร้างบา ร, รมีเพียงพระพุทธเจ้า ก็ไม่มีแล้วถ้าการที่สร้างบา ร, รมีเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกก็เพร่อมาสอนคนให้ละบาปบปมเพ็ญบุญนี่เองนะไม่ใช่อย่างอื่นได้แล้วสอนให้รู้จักวิธีฝึกขนอบรมจิตตรงนี้ชำระจิตตรงนี้ให้สะอาดปราศจากกิเลส ป, ป่าพธรรมทั้งหลาย เนี่ยพระพุทธเจ้าโทษกพระองค์มาเกิดในโลกพระองค์ก็มาสั่งสอนคนอย่างที่ว่านี่นะองค์ไหนก็ทำดังนั้นเราจะไปสงสัยลังเลอะไรแล้ววะนี่สงสัยว่าจะไปสงสัยว่าเราจะมีความสุขได้เพราะอะไรหนออย่างนี้นะอืม จะไปสงสัยว่าบุคคลทำชั่วยอย่างนี้น้าจะไปตกนรนกยิงหรือไม่น้องนี้ไม่เท่าสงสัยแลนะสงสัยทำไมพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดแล้วจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายละบาปบาเพ็ญบุญดังนั้นน่ะ ไม่ควรจะลังเลใจตัดสินใจสละบาปความชั่วงหลายออกไปซะมันจะได้อยู่ได้กินยังไงก็กินไปอะเมื่อไม่ทำบาปแล้วมันจะยากจนขนแค้นก็เอาให้มันรู้ไปสละชีวิตเพื่อสินลงไปสักชาติหนึ่งแล้วแหมมันวิเศษจังเลยลนะอืมแล้วต่อจากนั้นไป บุคคลผู้เช่นนั้นนะก็จะไม่ไปสู่ น, นกอบัยภูมิแม้ท่องเที่ยวในสงสารนี้ก็ก็ต้องไปดีมาดี อ, อย่างนั้นเนยไปสู่โลกหน้าก็ไปสู่สวรรค์กลับมาสู่โลกนี้ก็มาเกิดในฐานะอันดีในตระกูลอันสูงได้มีโอกาสได้ พบพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของพระองค์เหมือนอย่างพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้แหละเราก็มาพบพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าถึงจะไม่ได้พบองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไรได้พบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็องค์ที่หนทางออกจากทุกข์ให้แล้ว เราก็ดำเนินตามเท่านั้นเลมแม้จะพบองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ตามถ้าหากว่าไม่พยายามละชั่วทำดีตามคำสอนของพระองค์แล้วก็ไม่มีการพบพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความหมายอะไรลึกซึ้ง น, นะบ่สักแต่ได้พบเท่านั้นเองที่จะมีความหมายจะได้ผลคุ้มค่าที่ได้พบท่านผู้วิเศษจริงๆก็เพราะว่า ผู้นั้นเป็นผู้ละบาปความชั่วหลายที่พระองค์เจ้าห้ามไม่ทำด้วยกายด้วยวาจาระมันเป็นเสียอย่างนี้นะแล้วทรงสอนให้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ทำลงไปไม่ท้อไม่ถอยเอออย่างนี้แล้วก็การได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็เราก็ได้ประโยชน์มาก บางท่านก็เลยทำอาศวะ ก, กิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยอันเป็นงานเรี่ยงมานะบางท่านที่อินทรีย์อ่อนอยู่ก็ยังละกิเลสไม่หมดบางท่านก็ละได้โดยเอกเทศละได้เป็นบางอย่างวันทำไมละเด็ดขาดออกไปอ่ะอันนี้มันมีอยู่อย่างนี้นะ เมื่อมนุษย์ยังมีกิเลสตัณหาเกิดมาอยู่ในโลกนี่ตราบใดมันก็มีผู้สร้างบา ร, รมีปานาเป็นพระพุธเทธเจ้ามาช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นอยู่เนี่ยโลกอะเนี่ยแม้เราตายไปแล้วมันก็เป็นอยู่เนี่ยแต่ว่า ต้องให้เข้าใจความเป็นไปของโลกส่วนใหญ่ที่ท่านเรียกว่าวิวัตกับแปลว่ากับเสื่อมอกับนี้เป็นกับเสื่อมมันเสื่อมลงไปอายุของมนุษย์สั้นลงสั้นลงกิเลสความชั่ว้ล่ทั้งหลายกบปรากฏในจิตใจของคนมาก คนก็แสดงความชั่วออกทางกายวาจามากมายกายกองเรียกว่ามันเสื่อมทั้งอายุอานามเนี่เสื่อมทั้งคุณธรรมความดีอันสูงสง่งไม่มี น, นั่นี่มีก็มีน้อยเต็มทีเลยเั้นไปอย่างนั้นี้สมัยสังวัตรกับ น, นี่เปลี้ยวกลับเจริญ มนุษย์ทั้งหลายรู้ตัวได้ว่าการเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกเราอย่าเบียดเบียนกันเลยมาชักชวนกันสร้างบุญกุศลเถิดชักชวนกันรักษาสินให้บริสุทธิ์เมื่อรักษาสินให้บริสุทธิ์แล้วอายุสั้นอยู่ก็เพิ่มขึ้นปีหนึ่งร้อยปีก็เพิ่มขึ้นปีหนึ่งเรื่อยขึ้นไปอย่างนี้นะ จนถึงอสงไขยปีนุนในยุคเช่นนี้เรียกว่าสังวัตรกับแปลว่ากับเจริญอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ไว้ว่าในปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคสมัยสังวัตกับกับเสื่อมรู้ไว้ก็รู้ไว้ อ, วอย่างนี้แล้วก็ ถึงกับจะเสื่อมแต่ว่าจิตใจของเราไม่เสื่อมให้ตั้งไว้อย่างนั้นโทรเจ้าทรงพยากรณ์ว่าคนอายุสั้นเข้าไปเท่าไรกิเลสยิ่งหนาเข้าไปเท่านั้นอย่างนี้นะเราจะไม่ทําให้กิเลสหนาเข้าไปตามนั้นก็สามารถทําได้อเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมเห็นโทษของกิเลสแล้ว เราก็ตัดถอนกิเลสให้น้อยลงไปโดยลําดับก็กิเลสก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้นมาเมื่อจิตไม่สร้างแล้วมันก็ไม่มีอืออันนี้แหละที่เราจะมองเห็นว่าเราสามารถละกิเลสได้ก็มองเข้ามาหาจิตตรงนี้ถ้าไม่มองเพ่งเข้ามาหาจิตตรงนี้แล้วละกิเลสไม่ได้นะไม่ได้เลยออื ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในอป ama ทา ธ, าธรรมมีโอปนายกโกย โ, โน้มคำสอนของพระเจ้าเข้ามาสู่ดวงจิตนี้มาเพ่งพิจารณาอยู่นี่ละกิเลสก็มาเพ่งละอยู่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยไม่ใช่เป็นละในอดีตอนาคตอะไรที่ไหนไม่ใช่ ละอยู่ในปัจจุบันนี้มเมื่อกิเลสมาละ ง, งับดับไปคุณธรรมก็บังเกิดขึ้นแทนยกตัวอย่างเช่นเมื่อความโลภละ ง, งับไปจากจิตใจนี้ความยินดีตามมีตามเกิดมันก็เกิดมีขึ้นในจิตใจนี้ถ้าความโกรธละ ง, งับไปจากจิตใจนี้ ไอ้ความเมตตาการุณาความปรารถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันก็บังเกิดขึ้นแทนนะ อ, อย่างนี้แหละเมื่อความหลงระงับไปความรู้แจ้งก็บังเกิดขึ้นในใจเช่นรู้ว่าทุกขมีจริงเลยเมื่อขันธ์หน้านี้มีอยู่ตราบใดทุ ก, ก็มีอยู่ตราบนั้น แล้วก็รู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ตัณหาอุปธท า, านความยึดมั่นถือมั่นนะพาให้ทำดีทำชั่วอตายแล้วก็ไปเกิดอีกกรรมดีกรรมชั่วก็นำให้ไปเกิดอีกเกิดมาเล่ากระเจะแก่เจ็บตายอีกนี่กระเพาะตัณหาเนี่แหละมันเป็นมูลเหตุขอให้เข้าใจเมื่อดับตัณหาได้แล้ว ทุกทั้งหลายทุกทั้งจิตงใจก็ดับไปมันก็มันก็รู้ขึ้นในใจอย่างนี้นะข้อปฏิบัติทั้งหลายคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาก็เป็นข้อปฏิบัติทำให้ระงับตัญหาเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปจา ก, ก จ, จิตใจดังแสดงมา